ความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลงประปวติยานได้นำเสนอเรื่องธรรมาจักรวัตนสูตรสืบ ต, ต่อกันมาโดยตับแต่ว่าพอดีช่วงนี้มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่ก็รับรู้กันแล่หลายพอสมควร คือเกี่ยวกับคณะปฏิรูปการศึกษาซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ9ท่านเ้วยกันและทําหน้าที่ยกร่างราชบัญญัติขึ้นมาเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงการศาสนากระทรวงการศึกษาศา ส, สนาและวัฒ น, น, นธรรม ก็มีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งึ่งเป็นกลุ่มที่สี่เรียกว่าคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งมีผลบางประเด็นเนี่ยกระทบต่อองคอ์กรพระพุทธศาสนาค่อนข้างแรงแล้วก็หมายถึงอ น, นาคตของพระพุทธศาสนาด้วยว่าจะคงอยู่คู่ชาติปันเมืองอย่างที่เคยเป็นมาแล้วถึงสองพันกว่าปีหรือไม่ มันก็อยู่ที่ผลกระทบจากการบริหารตามประ า, าชบัญญัติฉบับนี้ก็ตอนเริ่กันมานะฮะตั้งแต่รัฐธรรมนูญราชบัญญัติการสาแห่งชาติแล้วก็มาถึงพระราชบัญัติฉบับนี้เพอะไรเพราะว่ามันเป็นเอการที่ไม่เคยเกิดขึ้นในส่วนใดๆของโลกที่ มีการนำเอาศาสนิกในศาสนาทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นศาสนาคนกลุ่มไม่มากเคารพนับถือกันอยู่มามีส่วนร่วมเป็นกรรมการที่สามารถให้คุณให้โทษแก่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชากรตั้งเก้าสิบห้านะฮะจุดเกบสี่จุดศูนย์้าเปอร์เซ็น์ เรตือกันอยู่ก็พยายามขอร้องได้ก็ทุ่งติงก็พปกายกันเหนื่อยประสมควรนะ น, นะจนเรียกว่าเสียงก็ยังไม่ฟื้นนะ น, นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมขยับจุดของเขาก็พยายามดื้อดึงที่จะเอาคนในาศาสนาอื่นมาบริหารในคณะกรรมการชุดนี้ให้ได้ คือถาเอามาหาบริหารด้วยกันทั้งหมดนะไม่ว่ากันเราแต่ว่าไอตัวเนื้อ ง, งานที่ถูกบริหารเนี่ยมันเป็นเนื้อ ง, งานของพระพุทธศาสนาเล็กเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาคืองานที่อยู่ในกรมการศาสนาที่เรียกว่า98เปอร์เซ็นเนี่ยฮะเป็นพุทธล้วน แลกรมการศาสนาว่ากันตามความเป็นจริงแล้วเงินเดือนส่วนหนึ่งเนี่ยจะจากศาสนาสมบัติของพระพุทธศาสนานะครซึ่งไม่ศาสนาอื่นไม่ได้ช่วยเหลือใดกอมการศาสนาถ้าเรียกถูกต้องมันน่าจะเป็นกรุมพระพุทธศาสนาด้วยซ้าเพราะว่าศาสนาอื่นเนี่ยกระทรวงมาไทยมารับผิด ช, ชอบอยู่แต่ก็มีการประณัติประนอมกันมา แต่นในที่สุดก็ไปมีหน่วยงานอยู่หน่วยหนึ่งที่รับผิดชอบถึงศาสนาอืน่นถึงก็ไม่ว่ากันนะครัประเด็นตรงนี้ที่จริงก็ไม่ว่ากันแต่ประเด็นที่มีปัญหาก็คือว่าเมื่อปรับโครงสร้างของกระทรวงใหม่เนี่ยในนาเอางานของกรมการศาสนารสนรกรมศิลปากรและสํานักวันทําแห่งชาติเนี่ย มาอยู่ในภายใต้การควบคุมดูแลของกรรมการชุดนี้จะมีศาสนาอื่นร่วมอยู่ด้วยแล้วก็ร่วมอยู่ในตัวตรงๆเนี่ยฮะสี่ท่านแล้วก็ในนาแแวงของผู้จํานานด้านศาสนาและวัฒนธรรมอีกเราก็ไม่รู้กี่ท่านนะฮะกรรมการชุดนี้มีได้ถึงยี่สิบแต่โปรเข้าใจว่าสมญัตินี้ยังไม่ได้ประกาศใช้นะ ยงแต่ว่าเป็นการป้องกันไว้ต่อการแก้ปัญหาในแก้ไม่ได้แล้มันเป็นพระราชบัญญัติแล้วแก้ไม่ได้พระราชบัญญัตินั้นเมื่อต้องการไม่ให้มีก็ต้องป้องกันไม่ให้มีตั้งแต่ต้นแต่ถ้ามีขึ้นมาแล้วเนี่ยแม้เสียเปรียบ ก, ก็ยอมจำนวนกละาย้คอความในรัฐมนูญมาตราที่เจ็สิบสาม รัฐต้องให้การอุปถรัรมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นคือแลกคำนี้ไม่มีความหมายใดเล ย, เลยสามารถจะเขียนว่ารัฐต้องให้การคุ้มครองพระพุทธศาสนาและกวักหน้อยหนึ่งศาสนาอื่นก็มีค่าเท่ากันหมายความว่าศาสนานั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองในฐานะเป็นองค์กรศาสนา แล้วก็อยู่ในยุคที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพเสมอนะฮะถ้าเชียบกันมันจะยุ่งรุงรังพันเตไปคอยดูกันแล้วกันและยังก็เปิดโอกาสให้ในมันตราที่สามีกบแปดดีด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดอีกตอนหนึ่งแต่ว่าที่ค่อนข้างจะน้าสิวหน้าขวานเวลาเนี้ย มันสืบเนื่องมาจากข้อความที่จริงมันโยงมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญนั่นแหละคือเขาอ้างอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตราที่29มาตราที่50แล้วมาก็ไปอ่านดูมันไม่เห็นอะไรเลยมันเป็นการพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะฮะซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน แน่นอนมันก็อาจจะลากไปสู่สิทธิเสรีภาพในการศึกษาในการเลือกที่อยู่อาศัยในการปฏิบัติกิจการงานที่ไม่เป็นปฏิบัติต่อกฎหมายแต่ความสงบเรียบร้อยของบ้าเนเมืองก็ลากไปได้ทั้งนั้นแหละมันเป็นสิๆๆทธิสิทธิเสรีภาพแล้วเมื่อก็มีการพุ่งติงเขาก็ไปอ้างอมาตราที่ 81, แปดสิบเอ็ดแห่งรัฐธรรมนูญการปกครองเหมือนกันในมาตราที่แปดสิบเอ็ดมันก็พูด เรื่อการศึกษากําหนดให้ตั้งให้ยกเป็นพระราชบัญญัติการสาธาแห่งชาติขึ้นฉันได้ผ่านการประกาศใช้มาแล้วนะฮะตั้งแต่ปีพศ .2542 รราชบัญญัติฉบับนี้มันก็ต่อกันมาอีกฉบับหนึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตราที่34แห่งรบริษัทการสาธาแห่งชาติกําหนดได้มีคณะกรรมการต่างๆ ว่าสีคณะเด้กันเป็นสภาการศึกษาเป็นสภาการศึกษาการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมไม่ใช่ศิลปะและวัฒนธรรมแล้วก็เป็นกรรมคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐานคณะกรรมการการศึกษาระดับบุดมศึกษาแล้วคณะกรรมการเนี้ยคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม ศิละปะไม่มีนะฮะแต่พอ ล, ลงไปข้างล่างก็มีศิละปะซึ่งอยากไีบอกแล้วว่ากรรมการชุดนี้มันเป็นการควบคุมรับผิดชอบงานของโครงการศาสนารสนะะกรมศิลปากรแล้วก็สนักวัฒนธรแห่งชาติที่เราเรียกว่าสวชนะฮะสำนัวันธรรแห่งชาติ ซึ่งในเชิญที่เป็นเนื้องานแล้วเนี่ยมันเป็นงานของพระพุทธศาสนาล้วนๆเพราะว่าประเทศไทยยังเป็นเมืองพุทธแล้วก็ศิลปะกับวัฒนธรรมนมันมาจากพระพุทธศาสนาเรามองดูว่าศิลปะเราเนี่ยมันเป็นอะไรอะ่ะเป็นงานด้านสถาปัตยกรรมเป็นงานด้านปฏิมากรรม เป็นงานด้านอาวรณกรรมด้วยก็ได้นะฮะอวันกรรมแล้วก็เป็นงานด้านจิตรกรรมนะวิจิตศิลประณิสศินมัฒนศิลป์อะไรแต่อะไรต่างๆเฉพาะศิลปะทั้งหลายเนี่ยแน่นอนส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องผสมผสานทั้งาศาสนาทั้งศิละปะทั้งวัฒนธรรมแล้วของไทยปนเพื่อนบ้านอะไรแต่อะไ ร, ต, ไร ต, ต่างๆมันหลั่งไหลกันมานาน แต่ว่ามันมีลักษณะส น, สนองงานพระพุทธศาสนาในด้านที่เรียกว่าเป็นศาสนาธรรมกับศาสนาบุคคลนะฮะคือพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปสอดคล้องกับศาสนาธรรมที่พระเจ้าทรงประกาศแสดงในวัตธรรมนั้นมีความชัดเจนนะฮะว่าวัตนธรรมเราเรียกชื่อ ย, ยังไงก็ตามก็เปลี่ยนแปลงไป แต่เดิมที่เดียวนี้ท่านจัดเอาไว้เป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็คือว่าทางทางวัตถุธรรมวัตถุธรรมก็ออกมาแนวเดิมคือพวกศิลปะที่เป็นปฏิมา ก, กรรมสถาปัตยกรรมวิจิตศิลปนิสสินมันตะนศินอะไรแต่ไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นงานที่วัฒนธรรมทางวัตถุธรรมและถามว่าพวกนี้อยู่ที่ไหนล่ะ วัฒนธรรมทางวัตถุธรรมที่เรียกว่าศิละปะเนี่ยจะเรียกว่าสถาปัตยกรรมประติมา ก, กรรมวิจิตรศิลปนิศิ์อันตรธานต่างๆเนี่มันก็อยู่ในวัดก็อยู่ในวังแล้วก็เป็นโบราณสถานเป็นโบราณคดีดต่างๆซึ่งก็เป็นของพระพุทธศาสนาเราอย่าลืมว่าไอศิละปะเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประติมา ก, กรรมกับสถาปัตยกรรมเนี่ย มันแสดงถึงความเชื่อถือในศาสนานั้นๆของบุคคลเราเองปฏิมากรรมที่โลกยกย่องเปตรยอมรับนักถือของชาวโลกบางพวกก็มองในแง่ของโบราณคดีบางพวกก็มองในแง่ของปฏิมากรรมบางพวกก็มองในแง่ของความอัศจรรย์บางพวกก็มองในแง่ของ ศิละปะแต่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยอาจจะมองเป็นสิ่งที่ฝังหูฟังตาจะต้องถล่มทลายให้พินาศไปก็ได้ตัวอย่างที่ชัดเจนใกล้ๆตัวที่สุดเนี่ยคือที่รัฐบาลตาลิบันที่อับกาในสถานยิงถล่มรรบุตู ร, รุสูงตั้งห้าสิบสามเมตรนะฮะสูงขนาดมากตึกหลายชั้นนะแล้วก็องคหนึ่งอีกสาสิบเมตร ยญิงตะลงไม่น่าเฉย่อเฉยเพราะอะไรเพราะในความรู้สึกของเขานั้นลูกเคารพถือว่าเป็นปฏิปักิขัดต่อคำสอนของพระเจ้าของเขาในจะมีการขอร้องอ้อนวอนกุมคูด้วยประการต่างๆพวกนี้ก็ยังทาแลา้วพอแกทำไปแล้วเนี่ยมติของพระเจ้าคุมโลกไปทำอะไรก็ไม่ได้อาจจะส่งหนังสือประนามเก็บไม่อ่าน ไปตันนี่อยากจะรับไว้นเนี่ยแกไม่อ่านแกไม่รับรู้อ่านแล้วแกก็นั่งวรองร์รรออนะรรรร่รรรรรรรรร่รรรรรรรรวรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรนรรรรรรรรรรุก็ไม่น้อยแล้รรรรรรรรร่รรรรรรรรรรรารรรรราแล้วทั้รนรรนรรรรรรนรรรรรรรรรรรรรรรรรซรรรรรรรรรรรัรรรรรรระรรรรรรรรรรรรรรร้ 3, รนะรรรรรรรรคน ก็ถือว่าเป็นเรื่องคิดที่แปลกแล้วก็พยายามอธิบายนะแล้วแกก็ไปตาพระองค์ที่พิ่ว่าไม่ยอมเข้าใจคือตัวเองมีความรอบรู้ในเรื่องศาสนาไม่ใช่ในเรื่องการศาึกษาและก็มาทำเรื่องศาสนาพอเราอธิบายเราชี้แจงเข้าหาว่าเราไม่เข้าใจคือแกนะไม่เข้าใจแกไม่รู้เรื่องศาสนา พอซักถามความเป็นมาหลักความเชื่อนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อะไรแต่อะไรเนี่ยก็บอกเขาไม่เคยคิดไม่ใช่ไม่คิดมันไม่มีข้อมูลฮะมีข้อมูลคนเราไม่ใช่เก่งไปทุกเรื่องอย่าไปคิดว่าด็อกเตอร์เราเก่งเหนือมนุษย์มนามันไม่ได้วิเศษวิโสขนาดนั้น น, นนะที่เราเห็นว่าเราก็ยอมรับว่ามันมาตามกรอบของพระราชบัญญัติการสาชาติ แต่ว่าในพระราชยติการศึกษาแหงชาติเขากําหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งคณะเดียวไม่ได้กําหนดว่าต้องมีตัวแทนศาสนาต่างๆเข้าไปในตรงนั้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องศาสนาพุทธเป็นเรื่องศิละปะพุทธเป็นเรื่องวัฒนธรรมของพุทธมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาอื่นาการศึกษานั้นก็ไปรวมกันอยู่ได้แน่นอนการศึกษานั้นเป็นเรื่องของชาติเดียวกันเราต้องศึกษาด้วยกัน แต่ในขณะเดียวกันในส่วนของศาสนาและพัะธาธรรมของศาสนาอื่นนั้นเราไม่ได้มีส่วนไปรับรู้กรมัการแน่นอนถ้าถามันักศึกษาอะไรมันก็พูดส่วนใหญ่และเพราะคนส่วนใหญ่ เ, ญเป็นพุทธนะแต่เราก็ต้องมองน้ำใจของสาวพุดยุคเขาเรียกว่าอะไรล่ะยุคไอทีก็ได้นะยุคยานอวากาศก็ได้ ขบทเรียนที่ชาวพุทธจะต้องสนดแล้วก็ไม่ใช่เจ็บแค้นนะฮะแต่ว่าต้องจดจำก็คือข่าวที่สสลอยกร่างรัฐมนุษย์เปิดให้มีการประชาพิจารณาพิปรายแล้วก็ส่วนมากกับพวกเอ o นจอนะฮะที่เกาะกลุ่มติดตามไปทุกขบวนนะฮะเราก็ยินหน้าซ้ำๆบอกโทรทัศน์ทุกคืนนะ ไม่รเงินทองมาจากไหนเหมือนกันก็ อ, อยู่ได้โดยไม่ต้องทํามาหากินอะไร ก, ก, ก็มีบุญนะนะแล้วผลลัพธ์าชาวพุทธนี่ก็ขอร้องประเด็นหนึ่งเพราะวา่ า, วาศ า, าสนารุทธกัตริย์กับประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกั น, นมากันตลอดแล้วคํายันช่วยเหลือคือกุลกันศาสนาพุทธเป็นศาสนาสร้างชาติแล้วก็สืบสานชาติบันเหลือ ตือตลอกันมาโดยลำดับซึ่งเป็นประเด็นที่มาจากขยายขยายในลักษณะที่ทบทวนนะไม่ใช่ขยายด้ยพิจารณาคือทบทวนกระตุต้นสำนึกคือจิตสำนึกของคนไทยนั้นมองเห็นคุณค่าของศาสน า, ศาแต่แน่นอนคนที่ฟังสถานเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนหนักแน่นอยู่ในเรื่องศาสน า, าอยู่แล้วแต่ประเด็นที่อยากให้มองก็คือว่า พระพุทธศาสนานั้นอยู่กับคนไทยมามันม า, มาแล้วก็หล่อล้อมขึ้นมาเป็นศินลปกรรมเป็นวัฒนธรรมารรมาทาเองก็ออกมาในสีใ ส, าสา แ, แต่สายวัตถุธรรมก็ตังตีกาแล้วแต่สายศาสตร์ทหลักการอยู่ร่วมกันในแนวพูดแต่เราอยู่ร่วมกันแบบความเป็นมิตรปรารถนาสารพัดในปัตเพียรไมตรีแลกได้ดังใจจง ลูกไม่ซีจะรู้ร่างสร้างกุศลจะรู้รวยเป็นตำเนียมไทยแท้แต่โบราณเคยมาถึงเรือนชานต้องตอนรับอย่างเลิศดีตามมีได้าตามเกิดได้เปิด เ, เพื่อจิวกว่าใจกรับในละอย่างเนี่ยมันแสดงถึงความมีจิตวิญญาณของเมตตาธรรมความเป็นนิสกับบุคคลทั้งหลายจนเป็นเอกลักษณ์เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความเป็นไทยที่เราเรียกว่านยามเมืองยิ้ม แล้วก็วลังต่างชาติมาพบเห็นข้ามีแต่นักบวชแลวก็บอกว่าดินแดนแห่งภาาสาวพันก่อหละกการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องเป็นสังคมที่มากด้วยพลดอภาพมิตรภาพแล้วมันจริงๆก็มีสันตภาพนะ เพียงแต่ว่าที่เรามีปัญหาก็มามีปัญหาจากเพื่อนก็ทําให้หรือยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะสื่อต่างๆที่มาจากต่างประเทศมันสร้างลักษณะ น, นิสัยของคนเราให้มันเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นพฤติกรรมที่หวงใหญ่พิต ก, กังวลก็อยู่ในปัจจุบันนะถ้าเราลองดูว่าสังคมที่ยังเป็นไทยพูดรวนๆอยู่นี่ไม่มีแล้วปัญหาแล้วนี้นะอย่าง แถวอะไรล่ะแถวชายาแถวภูมเดียงอะไรเขาเรียกว่าอิสลามก็พุทธกอยู่ด้วยกันมนาะทั้งงานนีนน้ไม่มีการทะเลาะวิวาสอะไรกันช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันหมาว่าอะไรกันคือพุทธเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรกับใครที่เราเป็นห่วงก็คือว่าคนอื่นก็จะมาสร้างปัญหาให้แก่เราในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแสนานานเนี่ยเรานานกว่าใครอะนะ เราสองพันห้าร้อยถ้าเราคิดได้ดีนะฮะต้องมาสี่สิบห้ามบกหมายความว่าสองพันร้อยแปดเก้าปีที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกเนี่ยพุทธศาสนาไม่เป็นชนวนที่ไปสร้างความแตกแยกไปรบราข้าวฟันไปต่อสู้ปราบปานกับใครมีแต่เราถูกกระทำแล้วก็ศาสนาที่กระทำอันตรายเรามีสามศาสนาก็มาอยู่ร่วมกันในตรงนี้กรรมาการตรงนี้ ในปรวัติศาสตร์เนี่ยลองไปเช็ดดูนะคศาสนาที่เป็นปฏิปัติททำลายล้างพระพุทธศาสนามาตลอดเส้นทางเนี่ยมันก็มีอสารศาสนาแล้วก็มาอยู่ในคณะกรรมการนี้แล้วก็ยังยิงพระพุท ธ, ธรูปเราดูยยาระยะใกล้ๆอ่ะแล้วคณะการชุดนีเขาเป็นนักวิจารนะฮะเาบอกว่านักวิจารทันดีคือยังนึกไม่ออกอ่ะนะฮะ ยังลืงไมไปออกว่าบางคนเนี่ยที่ฟังแล้วก็เสียงอ่อนพอสมควรบางคนก็หวานต่อนหะน้าพอรับหลังไปยังอยู่เนี่ยนี่คุยกันเรียบร้อยแล้วนะะแล้วก็ก็ยังอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นก็ยังอาตมาจะใช้เวลาก็จะหลายวันักหน่อยเล่าอะไรไปเรื่อยนะฮะก็ที่จริงก็คือใตร่มพระพอาหารเหมือนกัน แต่ว่ามันไปเน้นที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางการปฏิบัติของยุคสมัยเท่านั้นเองหมายกว่าว่าร่มพระโพธญาณถูกคุก ค, คามถูกคุก ค, คามเจตนาจะดีหรือไร้เราไม่รู้ความคิดเขานะครับแต่ว่าข้อที่ไม่ควรลืมก็คือกรรมเป็นเครื่องสองเจตนา เจตนาของใครเป็นยังไงเนี่ยเราไม่รู้แต่เราดูที่กรรมประการกระทำของคนจะส่อให้เห็นเจตนาของคนว่าเขามีเจตนาเป็นยังไงในพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่จริงที่มีปัญหาใหญ่มากๆเนี่ยคือมีปัญหาอยู่ที่มาตรามาตราสิบเจ็ดนะครมาตราสิบเจ็ดแล้วเวลาเนี้ยเขาปรับเปลี่ยน ปเปลี่ยนจนจัดขึ้นเป็นโครงสร้างในการบริหารแล้วกำหนดออกมาเป็นลักษณะนเนื้องานเป็นชาติในการบริหารจัดการองค์กรเมื่อเราก็เห็นชัเดเจนว่าตัวแต่ในาศาสนาอื่นจะเข้ามาอยู่ยิ่งใหญ่มากโดยไม่ได้บริหารเขาแต่ บ, บริหารเรา เนเรื่องแปลกมนาะเห็นมนาะคนกลุ่มน้อยแต่นั้นเองนะมาบริหารเราได้ในคราวโซอรอนะะเราขอให้พุทสานาเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยเป็นลายเซ็นที่มากที่สุดคือสองล้านหกหมื่นลายเซ็นเอามาเป็นอะไรเอามาเป็นศูนย์นะฮะเขาก็บอกตลอดเวลาไม่เป็นไรครับอยู่ในชั้น่างอยู่แก้ไขได้เสมอทันไม่ต้องวิตก นะแล้วก็ตอนนําไปส่งนี่ขนาดพระนําไปส่งเองนะฮพระตอนนั้นก็เป็นราชาคณะชั้นมามันด้วยก็นําไปเองก็มีชาวบ้านไปด้วยนะบรรทุกรถถกล้อไปออกมาด้วยคนต่างศาสนาอาจจะมีทั้งพิธีศาลมนะะขาวว่านี่ประมาณสิบแปดคนนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่นอกนั้นเป็นคนของเรานะเป็นคนพุทธนะ จะโบวถ์ทีพุทธเป็นศาสนาประจำชาติอยู่เพียงเจ็ดคนเท่านั้นเองนี่คือบทเรียน่าต้องจดจำแต่ไม่ใช่บทเรียนที่ตังเจ็บจะแค้นว่าคนเหล่านี้วางใจไม่ได้คือปากนี่ไผ่รอบมากนิ่มมวนมากอ่อนโยนมากน่านับถือมากเลยแต่แสดงให้เห็นว่าเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมแต่ถ้าเราดูแล้วเราค่อยๆจะน่าสยอง น่าหวาดกลัวว่าคนยันี้เชื่อกันยากมากแล้วก็ในวงพระนี่มันก็พูดยากยนะคือพระเราก็ว่าอะไรก็ว่ากันเท่า น, นั้นเองแล้วก็รับปากก็ทำนะไม่รับปากก็ไม่ทําะทําก็ทําไม่ทําก็ไม่ทําดินดีด้วยก็เห็นด้วยก็เห็นด้วยไม่เห็นด้ว ย, วยก็ไม่เห็นด้วยก็ต่างะว้าวกันซื่อๆทีนี้ถ้าหากว่าเราขาดความจริงใจนะขาดความสุจริตใจแล้วเนะี่ย ปัญหามันไม่อยู่ที่เราหรอกแต่ว่าปัญหาจะตกแก่พระศาสนาเราก็อาศัยพระศาสนาแล้วกลายเป็นผู้ที่กินเบอเรียนถ่ายรถ ล, ลังคาซึ่งโบราณเนี่ยันถือมากอยู่ต้องฟังทงั้งหลายแต่หลงปปฎิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตาวนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง่วงามภัยบูย์ในธรรมตงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทั่วกันสวัสดี